ท่านฟังที่เคารพคะเราก็ได้เวลาที่จะมากลับเรียนถามคำถามต่างๆที่ท่านฟังได้ส่งคำถามไปที่ท่าอาจารย์ไพบูลเพียวธรรมะ .com/106 กันอีกวันหนึ่งแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราใช้ชื่อว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะแล้วก็มีความหมายหมายถึงการตอบคำถามทุกคำถามนั้นจะอ้างอิง ผู้ทวจนณะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยค่ะเรามาพบกับพระอาจารย์ไพบูลกันเลยนะคะน้อมสักการกับท่านค่ะอาจารย์บอลก็ยังมีคําถามอยู่อีกหลายคําถามที่จะกล่าวเรียนถามท่านเลยนะคะ ừ ừ ừ. วันนี้เนี่ยจะเป็นคําถามของคุณสุภาพสตรีชื่อสัสิ น, นสันถ้าทิ่ฉันอ่านไม่ผิดเพราะว่าส่งมาเป็นภาษาอังกฤษมีคําถามเรื่องมาตุคาม ừ ừ. บอกว่ามาตุคามเนี่ย กินใจความถึงสัตว์โลกเพศเมียทั้งหมดหรือเปล่าคะเออมาตุคามนี้หมายถึงเฉพาะมนุษย์เพศเมียอ๋อเหรอคะเพศหญิง ต, ตอ๋อถ้ามาตุคามนี่เฉพาะมนุษย์แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นสัตว์มีคําเฉพาะไหมคะที่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้อไม่สัตว์นี่พระองค์จะไม่ได้ไม่ได้แบ่งเพศก็จะมีพูดถึงสุนัขเพศเพศเมียเท่านั้นเองก็จะไม่ได้เรียกชื่อเฉพาะพิเศษอะไรอ๋อแปล ว, วา่าพูดถึงมาตุคามเนี่ยก็คือ มนุษย์เพศเพศมียค่ะแล้วก็มีคำถามอีกนะคะ บ, บอกว่าในพุทธวจนะได้มีการกำหนดถึงฉายาของพระภิกษุหรือไม่มแล้วทำไมฉายาของพระภิกษุแต่ละรูปต้องลงท้ายด้วยสระโ อ, อพระภัยบูร์อภิปุนโนย อ, อย่างนี้ค่ะมีที่มาอย่างไรคะคือว่าให้มันมันง่ายต่อการคืออันนี้ที่อาจจะมาเข้าใจน ะ, ะ, ะพระที่ท่านจะ รับเป็นอุปชาเนี่ยจะต้องมีบทสวดแล้วก็มีข้อข้อความที่ต้องพูดอยู่ซึ่งมันจะลงลงอัครากันได้ถ้าเป็นสารโอสารโอเพราะฉะนั้นฉายาของพระเนี่ยก็จึงเป็นสระโอสระโอทุกรูปเลยป่ะคะดิฉันเพิ่งจะสังเกตมีน้อยรูปเที่จะเป็นที่จะเป็นเท่าที่เจอที่จะไม่เป็นถูกต้องมีน้อยรูปเท<ค>่าที่อาตมาเจอมามีองค์เดียวแต่ซึ่งศึกไปแล้วด้วยก็จะไม่เป็นสระโอที่เหลือจะ เป็นอย่างนั้นหมดเนาะคุณชสินานนี่ช่างสังเกตจริงๆเลยค่ะทีนี้ว่าประเด็นคือไหนประเด็นคือทําไมต้องมีฉายานั่นเลยสิคะถามว่าไอ้เรื่องสารโอสารโอเพราะว่าอย่างกับพระทันทุนนะคะอย่างชื่อท่านเนี่ยก็ยังเป็นชื่ออภิปุโนนี่ถือว่าเป็นฉายาแหละคะถูกต้องอ๋อแล้วพระพระภับุญชื่อไพบุญนี่ก็เหมือนเป็นชื่อธรรมดาฉายาก็คืออภิปุโนชักะวะโรโซติพัลโลที่โตพาโสอย่างเงี้ยสระโอหมดเลยฉายานี่จะซ้ําๆกันไหมคะ จำได้ก็เหมือนชื่อทําไมต้องมีคะทำไมต้องมีฉายาค่ะฉายาเนี่ยเป็นอย่างนี้พระรูจ่าบอกว่าเป็นผู้ออกบวชจากเรือนนะละชื่อและโคดเดิมเสียออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะนั้นการละชื่อและโคดเดิมเนี่ยก็สมัยนี้เขาก็จึงมีฉายาให้อย่างนี้แค่นั้นเองบางคนก็ไม่มีอย่างพระรูจ่าพูดถึงโมคละก็ไม่ได้มีฉายาสารีบุตรเนี่ยมีฉายาสารีบุตรนี่เป็นฉายาแล้ว ชื่อเดิมชื่อโกริตตกับ ส, สดดทิตะอะไรสักอย่างนี่โมคละนะก็เป็นชื่อของโคดถ้าธรรมาจะไม่ผิดน ะ, ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีฉายาเรียกเท่านั้นเองบางทีก็เรียกชื่อโคดก็ได้เรียกโดยชื่อก็ได้อนุญาตให้เรียกกันเพื่อเป็นไปตามพุทธวจนะที่บอกว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ออกบวชจากเรือนละชื่อและโคดเดิมเสียใช่ละชื่อและโคดเดิมเนี่ยหมายความว่า ไม่ได้หมายความว่าให้เปลี่ยนนะนะหมายความว่าคุณไม่เกี่ยวข้องกับด้วยเรือนแล้วคุณก็อย่าไปยุ่งกับกิจการงานที่เขามีในลักษณะนี้มากกว่าเดี่ยอธรมาเข้าใจเหมือนกับเป็นคนใหม่ในอีกโลกหนึ่งใช่ในโลกของความเป็นพระจะมีการให้ฉายากันก็สามารถทําได้ธรรมาคิดว่าไม่ผิดพุทธวจนะอย่างไรหรอกทุกรูปเลยหรอคะมีรูปไหนไม่มีไหมคะฉายาเนี่คะไม่มีเลรนะสมัยนี้นะที่บวชกันก็จะมีหมดอืมประเทศอื่นก็ไม่แน่ใจว่าเขาเขามีกันหรือเปล่า ค่ะต้องต้องตรวจสอบแต่พ ม, ม่ามีศรีลังกาไม่แน่ใจอือค่ะแต่อาจจะมีนะคะดิฉันเคยไปศรีลังกาแล้วก็เคยจดชื่อพระบางรูปมารู้สึกก็จะน่าเป็นฉายาอะไรอื่างคงจะไม่ใช่ชื่อเหมือนปกติอ่า <c oughs> ทีนี้คำถามถัดไปค่ะของคุณสัสินันยังมีอีกจริงหรือไม่ที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้มีภิกษุนีแล้วด้วยเหตุผลอะไรคะ ภิกษุณีที่มีอยู่ในปัจจุบันถือว่าฝ่าฝืนพุทธวัจนะหรือไม่คะถ้าโดยบทเพียรชนะที่อย่างเช่นพพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่อนุญาตให้มีภิกษุณีเนี่ยพระองค์ก็ไม่เคยพูด น, นะแต่ที่เราสังเกตก็คือว่าพระอานุลนมาขอให้มีมีภิกษุณีพระพุทธเจ้หไม่ให้แต่ทำไมพระอัญญาโกธัญะญมาขอบวชพรพุทธเจ้าบอกโอเคจงมาเป็นภิกษุ พระทั้งหลายมาบวชกับพระเจ้าบอกเออมาเป็นภิกษุมาเป็นภิกษุกษแต่ <Okay. S 1> พอมีภิกษุนี้มาขอมีผู้หญิงมาขอเอาหมายผู้ให้ถูกมีผู้ชายมาขอบวชเธอจงมาเป็นภิกษุเธอจงมาเป็นภิกษุ น, กษ <Okay. S 1> นะพอมีผู้หญิงมาขอไม่ให้ห้ามกันจนกระทั่งพระ อ, อ น, นุนเนี่ยมาขอถึงรอบที่สามนะจึงฝ่าด่านเข้ามาได้นะก็เป็นการแสดงเห็นว่าอราไม่ต้องการให้มีทงว่าด้วยเหตุผลอะไรค่ะ okay. พระรเจ้าพูดไปชัดเจนตรงนี้เป็นพุทธวจนะบอกว่าถ้ามีภิกษุณีแล้วเนี่ยอายุของศาสนาจะลดลงครึ่งหนึ่งอมจากที่ว่าจะอายุหนึ่งพันปียกตัวอย่างน ะ, ะก็จะเหลือแค่ห้าร้อยปีเท่านั้นเองเหตุผลเหตุผลเ ก, กวกับนี้ไหมคะก็จะเหตุผลนั่นแหละก็คือพุะรเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับในสกุลใดนะที่มีผู้หญิงมากมีผู้ชายน้อยเนี่ยสกุลนั้นจะเสื่อมไปเร็วก็เหตุผลแค่นี้ เพราะว่าถ้าผู้หญิงบวชมากมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะก็จะถูกข่มเหงได้ง่ายในสกุลนั้นก็จะเสื่อมไปเร็วอันนี้เป็นเหตุผลของพระพุทธองค์ใช่ดังนั้นก็จึงถามว่าอไม่ต้องการให้มีถูกต้องด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าอายุศาสนาจะเสื่อมเร็วค่ะถามว่าภิกษุณีที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ขาดฟื้นหรือเปล่าขาดฟืฟ้นหรือไม่คเอก็ไม่ทราบเหมือนกันหมายถึงว่าการบวชภิกษุณีเนี่ยคุณจะต้องบวช ด, ด้วยรูปแบบที่พระพุทธเจ้ากําหนดก็คือมีการอุปชา อุปชาต้องเป็นภิกษุณีน ะ, ะแล้วต้องมีบวชการบวชทั้งสองฝั่งคือบวชในภิกษุณีรอบหนึ่งเสร็จแล้วคุณมาบวชในในฝ่ายภิกษุก่อนจะเป็นภิกษุณีนะคุณเป็นสิกขานามาก่อนหรือเปล่าก่อนเป็นศิกขาบราคุณประพฤติถือศีลอ่าประพฤติเขาเรียกว่าอรเปโทษ น, นะคะสิกขานาก่อนได้ไหมคะหมายความว่ายอย่างไรคะสิกขานาก็คืออ่าก่อนเป็นสามเณรี เป็นสามเณรีแล้วนะต้องเป็นมาเป็นสิกขานาคือคือถ้าน่าจะน่าจะคือมีสีมากกว่าสามเณรอีกสักข้อหรือสองข้อเนี่ยแหละเป็นสิกขานาหรือสลับการประมาณเนี้ยนะแต่คือจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งอย่างพระเนี่ยคุณจะมาเป็นพิกษุท์ได้คุณต้องเป็นสามเณรมาก่อนอไม่ได้กําหนดด้วยว่านานเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นสิกขานาคุณต้องเป็นสิกขานรรณาสองปีเพราะฉะนั้นถ้ามีการบวชมาในระบบที่ถูกต้อง ภิกษุณีที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ถูกต้องถ้าบวทไม่ถูกต้องก็ถือว่าไม่ใช่คือต้องดูว่าตรงตามที่พุท้ทวจนะตรัสไว้หรือไม่ใช่ใช่ใชไคะเพราะนหลักเกณฑ์ง่ายๆก็มีเท่านี้ก็สืบต่อกันไปและกันใครเป็นอุปชาของท่านใครอุปทาของท่านก็สืบกันไปว่ามาจากไหนแค่นี้นนทราบว่าถือศีลมากกว่าผ<อ>สมสใช่ไหมคะมีข้อห้ามเยอะถูกต้องน ะ, ะก็มากกว่าแล้วก็เนื่องจาก เนื่องจากความผิดอต่างๆก็มีคนมาโจทย์ไม่เหมือนกันเพระนั่งผรู้เช้าก็จึงบัญญัติมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยค่ะดังนั้นในข้อสุดท้ายนี้ก็คือว่าถ้าบวชถูกต้องตามผู้ทวจนะก็ถูกต้องใช่ขั้นตอนก็คร่าวๆก็คือต้องเป็นสามเณรีก่อนเป็นสิกข า, านาก่อนเอ้วก็มีการบวชทั้งสองฝ่ายค่ะก็จะดีมีได้และแล้วอุปชาที่พูดบอกว่าเป็นภิกษุณีอย่างนี้ต้องเป็นภิกษุณีที่ มีคุณสมบัติพิเศษกว่าพิกษุนอย่างอื่นหมคะคือหมายถึงว่าทางฝ่ายพระสงฆ์เนี่ยพระที่จะบวชให้ใครได้ที่เขาเป็นพระอุปชาร์นี่ก็ต้องมีคุณสมบัติพิเศษอะไรหราคต้องบวชมาแล้วสิบพรรษาเป็นคนที่มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณัตตสนะเป็นอุปชาได้พิกษุนีก็เหมือนกันมีคุณสมบัติอย่างนี้นี่คือปุถุาชนะแต่ที่มหาเทราสมาคมกําหนดก็จะไม่เหมือนกัน เอ้ท่านคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ท่านพูดว่าอย่างพระภิกษุเนี่ยจะต้องเป็นสามเณรมาก่อนเนี่ยอันนี้หมายความอย่างไรครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทีฉันเห็นว่าบางทีก็พอบวชปุ๊บเป็นพระเลยอะค่ะคุณศาสนีศิลาบไหมการบวชพระเนี่ยเขาบวชเป็นสามเณรก่อนนะบวชแป๊บเดียวแล้วก็บวชเป็นพระเลยเพราะฉะนั้นเป็นสามเณรอยู่ประมาณสามนาทีอ๋อค่ะขั้นตอนไหนกันทัานคะก็ตอนที่เข้าบวชไปแล้วค่ะเข้าบวชไปแล้วขอศีลสิบนั่นแหละคุณเป็นสามเณรละอ๋อมีขอศีลสิบก่อนใช่แล้วไปเปลี่ยนผ้า เปลี่ยนผ้ามาแล้วคุณเป็นสามเณรแล้วมาทําการทวนศีล น, นะตรวจสอบคุณสมบัติก็ประมาณ10นาทีก็ได้สัก10นาทีแสดงคุณเป็นสามเณร อ, อยู่ประมาณ10นาทีค่ ะ, ะคือเหมือนกับว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยเพื่อทําให้ไม่ขัดกับพูทโจร<ณ>นะใช่จึงเหมือนกับคนมั่นปุ๊บแต่งเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะประมาณนั้ น, น, นที่นี้ในวัดสายปฏิบตัตนะิท่านก็จะให้เป็นสามเณร อ, อย่างน้อยก็15วันเดินหนึ่งแล้วแต่คนแล้วแต่ท่าน ในครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาคือคนที่จะมาเป็นสามเณรได้เนี่ยคุณต้องเป็นภาคข่าวมาก่อนมาอยู่ประพฤติพรหมจันทร์ในวัดและเป็นอุบาสกนุ่งขาวเห็นทีท่าว่ามีกิริยาเรียบร้อยสอนได้ง่ายเอามาเป็นสามเณรพอมาเป็นสามเณรแล้วเห็นทีท่าว่าเออคุณพอจะเป็นพระได้หมจีวรได้และบินตบาทได้อาคุณมาเป็นพระอ่าก็เท่ากับว่าเป็นขั้นเป็นตอนไปจะได้ไม่ทําให้ผู้บวชก็อึดอัด ผู้ที่เป็นพระอุปชาหรือเป็นพระผู้ใหญ่ที่จะร่วมวัดด้วยก็ไม่ลำบากใจว่าสอนยากสอนไม่ได้อย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นก็นี่จะเป็นข้อปฏิบัติของวัดสายปฏิบัตินะถ้าในเมืองก็อาจจะบวชแล้วก็อ่อ่าเป็นเนรแล้วก็บวชเลยค่ะคือถ้าพูดถึงถ้าถามคำถามในรายการนี้ก็ต้องถามเกี่ยวเนื่องกับคาสอนที่เป็นพุทธวจนะเป็นความรู้ที่จาหลักมา ตั้งแต่แตรัสรู้เรื่อยมามถึงทุกวันนี้คุณสันติีพูดประเด็นนี้ถูกคือพระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นสามัญนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นที่ทำกันว่าเป็นประมาณสิบกว่านาทีเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรมไม่ได้ผิดอะไรนะคะแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยการบวชเป็นอย่างกับสามเนียนเน่ยคะ่ะที่ฉันสงสัยว่า ในครั้งพุทธกาลเนี่ยออือมีด้วยใช่ไหมคะถ้าท่านพูดแบบนี้มีมีสามเณรมีตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลอ๋อค่ะแล้วสามเณรมีไหมคะที่ได้วิมุตต์หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ไปเลยมีมีสามเณรที่เป็นพระอรหันต์มีหลายรูปในสมัยพุทธกาลปลงผมอยู่เนี่ยยังไม่ทันบวชเป็นสามเณรเลยนะขณะปลงผมอยู่เนี่ยผมหล่นลงมาโอ้มันไม่เที่ยงจริงบรรลุเป็นพระอรหันต์ยังไม่ได้บวชเลยคก็มีออ่า แล้วก็สามเณรพระอาหารหันมีฤทธิ์โอ้ยมีนะในสมัยพุทธกาลค่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงสิ่งที่ไม่ควรประมาทห้าอย่างหนึ่งในะอย่างนั้นเนี่ยคือพระที่เพิ่งบวชหรือสามเณรที่เห็นตัวเล็กๆเนี่ยอย่าประมาทอาจจะเป็นพระอาหารหันได้อที่ไม่ให้ประมาทก็มีไฟกองเล็กๆนะพระราชาที่อายุยังน้อยนะเนนหรือพระที่เพิ่งบวชใหม่อย่างเงี้ยอย่าประมาทแต่พอท่านพูดถึงเรื่องไฟกองเล็กๆเนี่ยดิฉันว่า เป็นการยกตัวอย่างที่ดีมากนะคะเพราะบางทีก้นบุหรี่เล็กๆเนี่ย<อ>ทำให้ไฟไหม้ขนาดใหญ่ได้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยไหม้มาแล้วที่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรประมาทสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์นั้นทรงเน้นให้ความสำคัญเรื่องความไม่ประมาทขนาดไหนขนาดก่อนจะปฏิทิพผ่านอย่างพูดความความว่าไม่ประมาทก็สำคัญขนาดไหนก็แล้วกันอ๋อครับ พอจะให้ความรู้ได้ไหมคะว่าตรัสไว้เช่นไรเรของควารประมาท<ร>ครั้งตรัสว่าตอนที่ตอนนั้นพระอาิกำลังจะขึ้นแล้ว <c oughs> พระองค์นอนสียาสียาอยู่นะหายใจก็ช้าเต็มที่ละแล้วก็ <c oughs> รวบรวมแรงครั้งสุดท้ายนะบอก <c oughs> กับพิสูจนทั้งหลายบอกว่าพิสูจทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดานะพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอดแล้วก็ห <c oughs> ลับตา <ค><ะ>เป็รียวกว่าปัจชิมวาจาจริงๆก็ยังสั่งด้วยความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าพูดแค่นี้น ะ, <ค>ะลงท้ายด้วยพวเธอจนถึงพร้อมจนถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดแล้วเขามาเติมว่านี้เป็นปัจชิมวาจาของพระพุทธเจ้าคำเนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดแต่ว่าพระพุทธเจ้าจบแค่คํา<ะ>ว่าไม่ประมาทเถิดไม่ประมาทในอะไรคะถ้าความหมายนี้โอ้โหมันคือรวมทุกอย่างคําว่าไม่ประมาทเนี่ยนี่เป็นเป็นคําว่าเป็น ไม่ประมาทถ้าเราจะพูดคําว่าไม่มีไม่นะเอาคําว่าไม่ออกไปก็จะเป็นแปลว่าสติสติคือความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นสติเนี่ยเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวที่จะทําให้หลุดพ้นจากจากังสวรรค์ได้ะเราเไม่เห็นเครื่องไปทางเดียวอ่นี่เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวนะเพื่อการก้าวล่วงหมดจดของสัตว์ทั้งหลายนะเพื่อบรรลุยายะธรรมเพื่อทํานิพพานให้แจ้งทางนั้นคือสติปัฏฐานทั้งสี่อยู่ในตถาคตภาสิตทธ์ แล้วก็สติตรงนี้ที่อาจจะมาจึงบอกว่ามันสวยงามมากทั้งเบื้องต้นและในที่สุดเบื้องต้นเนี่ยพระรุ่งเช้าหลังจากที่ตัดสินใจว่ า, าฉันจะสอนธรรมะ ล, ละสอนเรื่องอะไรดีเนาะคิดคํานี้ขึ้นมาวันนี้เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวเท้ามหาพรหมนะสามบดีพรหมลงมาอนุโมทนาเลยอุย้ยถูกแล้วพระรุ่งเช้าในการก่อนบัตด น, นี้ในอนาคตก็ใช้สติปัญญาเหมือนกันสุดท้ายตอนก่อนปริทินก็พูดถึงความไม่ประมาท ก็คือสติ น, นั่นเองมันเริ่มต้นก็สติลงท้ายก็สติแหมจึงสวยงามมากนะคะก็คือเท่ากับว่าอย่าประมาทจงมีสติในทุกเรื่องใช่จงมีสติอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมค่ะนี่ก็เลยได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นสิทธาคตแล้วพวกเราต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทถูกต้องถูกต้องนะคะและวันนี้รายการเราก็ใช้เวลามา พอดีพดีคงจะต้องนัดกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกแล้วนะคะวันนี้นมรดการขอบพระคุณพระอาจารย์เพริบุญอภิปุณโญว้ในโอกาสนี้ค่ะใช่ท่านดุลันธ์ท่านฟังที่เคารพคะและสําหรับพวกเราทุกคนนะคะก็ขอให้น้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธองไปใช้นะคะจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธวัสตรีค่ะ